พยายามย้อนเข้าหาตัวเองนะรู้สึกอยู่ที่ตัวเองเสื้อแดงเอ้ยมันจะเสื้อแดงเสื้อขาวขีดแดงอย่าไปบังคับจิตนะภาวนาให้เป็นธรรมชาตินี่หลงอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าหลงนะใจมันหนีไปให้คอยรู้เท่าทันใจใจหนีไปเพรู้ ใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็รู้อ่านใจตเนเองไม่มีอะไรมากคนนี้ก็อย่าออกนอกนักนะอย่าเที่ยวไปดูโน้นดูนี้เสียเวลานี่ก็อย่าไปเพ่งอย่างประคองจิตให้นิ่งอยู่นะปล่อยไปให้มันทำงานแล้วมีสติอย่าประคองแบบนี้ ให้เป็นธรรมชาติตอนอยู่ปกติเราไม่ได้ทำแบบนี้ใช้จิตใจเหมือนตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ดัแ ด, ดแปลงมันหนูคนนั้นก็อยากคิดเยอะนะภาวนาคิดเอาไม่ได้หรอกให้อ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะหมดแล้วพวกอยู่วัด เมื่อวานติดครั้งทีมคนจีนไว้วันนี้ให้ส่งกันบ้านอา๋อใครจะส่งกันบ้านยกป้ายใครเป็นคนแปลเขาถามว่าภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาเพ่งน้อยลงแล้วแต่ว่าใจเขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็บางครั้งนี่ไม่อยากจะภาวนาเขาดูร่างกายหายใจเป็นเครื่องอยู่ภาวนาอยู่ถูกหรือไม่คะถูก ดูดูจิตใจไม่ออกก็ดูกายนะดูกายทำอะไรดูกายหายใจดูกายยืนเดินนั่งนอนดูกายเคลื่อนไหวดูกายหยุด น, นิ่งนะดูไปเรื่อยๆให้จิตใจมันมีกำลังขึ้นมาสมาธิมันจะดีขึ้นสมาธิดีขึ้นต่อไปเดี๋ยวก็ระดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็จะเห็นมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้สมาธิยังไม่พอ ใจยังฟุ้งซ่านอยู่ต้องให้ใจมันสงบร่มเย็นสบายสบายกว่านี้เนาะเพราะฉะนั้นหายใจไปพุโทโธไปหรือจะรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรก็ได้แล้วแต่เอาที่สบายใจนะระยะนี้เขาเห็นจิตวิ่งอย่างรวดเร็วจาก บริเวณหน้าอกไปที่ลำคอแล้วก็หายไปทุกครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาดูอย่างที่มันเป็นถูกต้องหรือไม่คะวันนี้เขาจะกลับแล้วขอคำแนะนำค่ะถูกแต่ว่าจิตมันยังไม่ตั้งมั่นนะจิตขนาดเนี้ยมันยังไม่ตั้งมั่นทีเดียวอย่างจิตมันหลงไปคิดเรามีสติคอยรู้ทัน อย่างมันจะแอบไปคิดโน้นคิดนี้อะไรเนี่ยคอยรู้เท่าทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะแล้วสมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นว่ามีสมาธิที่ดีคือรักขณูปนิชฌานแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดได้ไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาไม่เกิดสมาธิตอนนี้ยังไม่พอนะใจยังดิ้นไปดิ้นมาไม่มีความสุข เคยรู้ไปเรื่อยที่ฝึกอยู่ใช่ได้ดีขึ้นแล้วละ่ะครั้งก่อนหลวงพ่อสอนให้เขาดูดูหายใจนะแล้วก็เขาก็ใช้การหายใจเนี่ยเป็นการทำรูปแบบมาตลอดการภาวนาของเขาเป็นอย่างไรบ้างขอคาแนะนำค่ะใช้ได้นะดีละทำอีกแต่หายใจไปแล้วจิตใจมีความสุขรู้ว่าจิตใจมีความสุข บางวันหายใจแล้วจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตใจฟุ้งซ่านนะหายใจแล้วก็คอยรู้เท่าทันใจของเราไปความรู้สึกของใจแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันนะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะต่อเข้าเจริญปัญญาได้อย่าประคองอย่ารักษาจิตให้นิ่งนะปล่อยให้มันทำงานให้เป็นธรรมชาติเขาอยากทราบว่าเขา เขาคือใครคนไหนล่ะยืนให้หลวงพ่อมองหน้าหน่อยหลวงพ่อไม่รู้ว่าคนไหนนั่งได้เขาอยากทราบว่าเขาภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะต่อไปกาคอยรู้ทันเวลาใจมันเผลออย่าให้เผลอยาวเผลอแล้วรู้ไวๆเผลอแล้วรู้ไวๆไปสมาธิมันจะเกิดขึ้น สมาธิที่ดีเกิดขึ้นอไปก็เดินปัญญาได้จริงจริงตอนนี้ใจมันยังไม่เดินปัญญามันยังฟุ้งอยู่ดีดีขึ้นแล้วคนจีนก็พัฒนานะอย่ยบังคับจิตนะอย่าบังคับจิตปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปตามธรรมชาติธรรมดา จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงเวลาตามองเห็นเวลาหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตใจเราก็จะเปลี่ยนแปลงเราให้มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่บังคับให้มันนิ่งแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วเรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย แลปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเอาเขายังไม่ได้ถามเลยว่าตอบไปหมดแล้วเอเข า, าอยากทราบว่าเขาภาวนาถูกไหมอะเขาอยากรู้ว่าภาวนาถูกไหมรู้ไหมว่าอยากรู้ใจมันอยากรู้อ่านใจตัวเองบ่อยๆนะใจเราอยากรู้ใจเราอยากดี ใจเราอยากอันโน้นใจเราอยากอันนี้คอยรู้ทันใจที่มีความอยากมันเกิดทั้งวันใจที่อยากนะแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะใจมีความอยากเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากเข้าใจเดี๋ยวอยากปฏิบัติอะไรความอยากนะหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยคอยรู้เท่าทันใจที่อยากไมเราจะเห็นว่าความอยากนะมันจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเกิดได้เอง ถ้าไปปัญญามันก็เกิดนะเห็นนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจที่มันจะอยากมันอยากเองห้ามมันก็ไม่ได้ควบคุมก็ไม่ได้วิธีอยากรู้เรื่องก็หนีไปคิดใครจะแปลให้คนเนี้ยออกคนไทยนะที่ภาวนานะใช้ได้นะดีหนุ่มคนเนี้ยจิตมันออกนอกเก่งนะอันนี้ เห็นมเห็นเขาขยับเอฟบอร์ดนี่แล้วพอบใจก็วิ่งไปพยายามฝึกให้จิตใจยอยู่กับตัวเองอย่าให้มันร่อนเร่เที่ยวไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ทันมันจะเที่ยวไปเราก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าพอมันวิ่งไปแล้วเราคอยรู้ให้ไวๆหน่อยอ๋คนะอครับกับนามัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านในอรอบสามเดือนนะครับก็เห็น ความคิดกับอารมณ์มันผุดขึ้นเองมากขึ้นนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ผมใช้ <Okay. S 2> การหายใจกับดูกระดูกเป็นกรรมฐานนะครับ <Okay. S 2> พอมันเริ่มตั้งมั่นเห็นเห็นจิตตั้งมั่นขึ้นผมก็ไปดูจิตต่อคร hmm. เราครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าให้ปิติเข้าแทก hmm. ผมก็เลยเอาอันนี้มาเป็นตัวดูแบบเวลาตัวตนหรือปิติผุดขึ้นผมก็ไม่ให้มันแทก แต่ว่ามันมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งที่มันแยกออกมาข้างหลังคิดเราไม่จงใจแยกนะเขาแยกเองแล้วก็เราก็ไม่รักษาตัวนี้ด้วยแล้วเราก็ไม่จ้องใส่มันด้วยอย่าไปจ้องใส่ตัวรู้นะเพฉะนั้นจะติดเพ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปติดจ้องไปไหมครับหรือมันมันมันเหมือนอยากไปรู้ตัวรู้แต่ว่ามันก็รู้ว่าครับเออนั่นแหละรู้ถันไหมอย่าไปจ้องใส่ตัวรู้นะ ถ้าเจ้าใส่ตัวรู้เราจะติดสมถะชนิดที่แก้ยากที่สุดเลยครับแต่มันรู้เป็นแว บ, บๆอ่าเออเวลารู้ตัวรู้รู้เป็นแว บ, บๆถูกแล้วอย่าไปนั่งเฝ้าตัวรู้ไว้มันจะเกิดตัวรู้อีกตัวหนึ่งซ้อนขึ้นมาครับนะต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ต้องแล้วทำถูกแล้วทําไปเรื่อยๆสะสมไปครับขอบพระคุณครับกลับนะมาสการะได้ดีนะหนนะุ่มเนื้ สรงการบ้านขรังแรกค่ะรู้จักใจที่ฟุ้งซ่านไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นห ม, มีบ่อยไหม <c oughs> บ่อยค่ะเออนั่นแหละเป็นสมบัติประจําตัวเรานะเราก็เอามันมาทํากรรมฐานใจเราฟุงา้งซ่านเรารู้ทันนะพอรู้ทันใจมันก็สงบของมันเองใจมันสงบเราก็รู้ทันนะสักพักหนึ่งเราไม่รักษาไว้เดี๋ยวมันก็ฟุ้งใหม่ฟุ้งอีกรู้อีกฟุ้งอีกรู้อีกไปเรื่อยๆ แล่ปัญญาค่อยเกิดสมาธิก็จะเกิดด้วยอา้าวถามมาจะถามอะไรไม่ได้จะถามอะไรนัร่นส่ยกันบ้านหมดแล้วขอบคุณครับครับอ่าขอกราบขออนุญาตครับก็มาส่งกันบ้านในรอบหลายหลา ย, หลายปีแล้วครับก็มีความรู้สึกว่ากายมันอยู่นอกๆถูกแล้ว่ะครับ ก็รู้สึกเหมือนกับมันเป็นหุ่นยนต์นิดนึงแล้วก็มันเหมือนมีตัวรู้เด่นอยู่ในอก อ, อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่กับอย่างนี้มันก็จะเฝ้าพยายามเฝ้ามองอยู่ตลอดแต่ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับเราไปเพ่งมันหรือเปล่าถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่นะใจจะหนักหนักหนักหนักใช่ครับถ้าหนักแล้วก็แสดงว่าเพ่งถ้าไม่เพ่งเพราะว่าโลกอยากรู้ชัด อยากรู้สลอดเวลาก็าจะเพ่งเพืนะ่ะนนถ้าใจมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันใจที่อยากอยากปฏิบัติอยากดีอะไรเงี้ยครับรู้ทันใจที่อยากนะความอยากดับการเพ่งก็ไม่เกิดครับแล้วที่ภาวนาอยู่นี่เพราะว่าเป็นไปได้ประคองจิตให้นิ่งมากไปอ๋อครับครับผมแล้วก็เหมือนกับเริ่มจะไหว้พระหรือว่าสวดมนต์เนี่ยครับ ปิติมันจะเกิดค่อนข้างรุนแรงอันนี้เราจะต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้ใช่ไหมครับหรือว่ามองมันเฉยเฉยมองมันเฉยเฉยไม่ต้องไปละมันนะอืมแค่รู้ทันมันถ้ารู้ไม่ทันมันจะครอบใจเราถ้ารู้ทันก็ปิติส่วนปิติจิตส่วนจิตโคนละอันกันซึ่งซึ่งก็จะอยู่กันไปอย่างนี้ตลอดหรือว่ามันจะลดลงเรื่อยๆต่อไปถ้าเรารู้ทันมันตัวไหนที่เรารู้ทันแล้วมันก็มาหลอกเราไม่ได้ มันก็ไปหาตัวอื่นมาหลอกต่อครับ <Okay. Okay. S 1> เราภาวนานะบางทีอย่างเราเป็นคนสมมติเราเป็นคนขี้โมโหอย่างเงี้ยพอเวลาโมโหขึ้นมาทีไรเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะโมโหบ่อยมันจะแกล้งเราเลยเพราะว่าตัวนี้เราแพ้นี่พอเรารู้ทันความโมโหผุดขึ้นมารู้ทันมันดับไปเราไม่กลัวความโมโหละ ความโมหหายไปเลยหายไปนานเลยนะพอเราลืมมาแล้วเดี๋ยวมันมาอีกแล้วเราก็เริ่มผิดอีกครั้งหนึ่งบางทีตัวเดิมเนี่ยกว่าจะเป็นกลางจริงๆนะดูต้งหลายรอบเนะี่ยดูกันเป็นปีๆเลยบางทีการที่เรามีปิติเนี่ยมันจะทำให้จิตใจมันโดนเสียแทงให้ออกนอกจากความเป็นกลางเสียแทงเสียแทนทั้งนั้นแหละความสุขยางเสียดแทงเลย ปิติก็เสียแทงสุกก็เสียแทนเนะนี่ยเพราะนาไปเรื่อยมันจะเข้าไปสู่อุเบกขาอุเบกขาเนี่ยเสรียแทงน้อยที่สุดกราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวก่อนพวกที่เหลือทั้งห้องอะ่ะหลงอยู่รู้ไหมหลงกันเป็นแถวเลยนะหลวงพ่อรู้ว่าเพราะอะไรอันนียเพราะอาหารเป็นพิษนะ โทษอาหารไว้ก่อนอว่าไปเวล า, า, าความกลัวมันเกิดขึ้นหนูหนูจัดการมันไม่ได้ค่ะหนูกลัวอะไรล่ะกลัวความคิดบางอย่างค่ะมไม่มีตัวไหนที่เราจัดการได้ ถ, ถึงหนูอยากจัดการมันก็จัดการไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุของมัน ตัวไหนที่เราเคยแพ้อย่างเราแพ้ความคิดอย่างนี้พอความคิดอย่างนี้เกิดแล้วจิตใจเราระสับระสายขึ้นมาความคิดนี้ก็จะมาบ่อยให้รู้ทันไปใจไม่เป็นกลางใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบนะจนกระทังในที่สุดใจมเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะอะไรเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางสภาวะอะไรหายไปใจก็เป็นกลาง ฝึกไปเร่อยสิ่งที่ได้มาวิอใจที่เป็นกลางใจเป็นกลางเป็นใจที่ไม่ดิ้นรนต่อจะพ้นะพความปรุงแต่งในวันหนึ่งข้างหน้ า, าหนูควรจะเพิ่มเห ล, หลือลดอะไรบ้างคะหลวงพ่อลดความอยากนะเพิ่มความอดทนต่อความอยากนะอย่ไปเชื่อมันใจที่อยากที่เร่าร้อนอยากปฏิบัติอะไรเนี่ยไม่เอา กล้าๆหน่อยกล้าๆที่จะค่อยๆเรียนรู้ไปช้าๆเป็นลำดับลาดับถ้าอยากได้เร็วๆจะยิ่งช้าใหญ่เลยใจกล้าๆไว้นะขอบพระคุณค่ะการพิีวัสการ์ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อาเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเพ่งหลังจากนั้นก็ทำให้หนูทราบว่าเออ คือเพ่งหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้ก็ก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ก็เห็นเ อ, อสิ่งที่เห็นมากขึ้นก็คือกิเลสแล้วก็บางทีก็เห็นว่าความที่เราเพ่งนะเพราะาเรามีความอยากมีความวหวังใช่เหมือนที่หลวงพ่อบอกวันนี้เนาะมันอยากอนะถึงได้เพ่งเอาพอาเพ่งแล้วมันก็อึดอัเป็นทุกข์นะแล้วก็รู้ทันใจที่อยากไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ ยแต่สมาธิยังไม่ค่อยพอ <Okay. S 1> แบ่งเวลาทำในรูปแบบทำกรรมฐานนันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมาซ้อมทุกวันทุกวันได้ยิ่งดีนะหลวงพ่อขอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับหนูนะคะเคยฝึกอะไรแล้วสบายใจเอาอันนั้นแหละฝึกอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละเพ่งลดลงไหมคะหลวงพ่อลดลงเยอะเลย เปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะก็อดทนอย่าอยากได้เร็วเวลาพวกเราสะสมกิเลสนะเราสะสมข้ามภพข้ามชาติเวลาเราล้างกิเลสเราจะเอาในเวลาเดือนสองเดือนอะไรอย่างไม่ไม่ไหวฮะเหมือนเรามีผ้าขาวอยู่ผืนหนึ่งเราไปทำสกปลกฝังลึกไปแล้วเราสักนานหน่อยเป็นทุกคนหละนะอย่าอยากรีบร้อนรีบร้อนเดี๋ยวผ้าขาดไปซะก่อน หลวงพ่อคะจะขออนุ ญ, ญาตลูกชายขอส่งกันบ้านนะคะลูกชายอายุเท่าไหร่อายุสิบสามค่ะาฟ<ช>ังคำมาตั้งแต่าสามขวบคะ่ะตอนนี้อายุสิบสามแล้วแล้วก็อยู่ไหนล่ะค่ะยืนให้หลวงพ่อดูซิใช่ได้นั่งลงใช่ได้นะภาวนาสไตล์เดียวกับแม่เลยหลวงพ่อคะที่เขาทำอยู่คือเวลาเขา มีช่วงว่างเนี่ยช่วงหลังเขาจะนั่งสมาธิ<ม>แล้วก็เดินจงกรมเดี๋ยปล่อยมากค่ะสิ่งที่เขาทาอยู่ถูกถูกถูกนะ <c oughs> แต่ไม่ไปบังคับจิตให้สงบนะนั่งสมาธิจิตสงบเพราะว่าสงบจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านเดินจงกรมจิตสงบเราะว่าสงบจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านนะไม่บังคับกายบังคับใจที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะ<ม>ดี ขากลับหลวงพ่อคะ่ะก็กดนิดนึงอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอมากลับส่งกันบ้านที่หลวงพ่อให้ไวครั้งก่อนนะคะจิตนูเปลี่ยนไปเยอะเลยรู้สื่เปล่าค่ะรู้สึกค่ะดีแล้วละ่ะแล้วสิ่งที่พัฒนาก็คือว่าพอหลวงพ่อบอกให้ไปพักปกติจิตอะมันไม่ชอบพักมันจะอยากคึอเขมดูอย่างนี้คะ่ะทีเนี้ยพอหลวงพ่อบอกมันก็เลยเชื่อมมันเหมือนมันมันเชื่อมเพราะเราเคยสั่งมันมันไม่ยอมทำํำพอหลวงพ่อบอก มันก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นการบ้านที่หลวงพ่อให้แล้วมันก็เลยทําแล้วก็พามันพักง่ายขึ้นมากแล้วก็นั่นแหละดีค่ะแล้วสิ่งที่เกิดจากการพักเนี่ยค่ะมันก็เลยไปเห็นว่าจิตมันเห็นสภาวะมันมีแรงแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นแล้วแรงเยอะกว่าเดิมใช่แล้วมันเลยไปเห็นว่าเห็นสภาวะละเอียดอะค่ะละเอียดที่มันมันก็สนุกกับการเห็นสภาวะวันนี้ที่หลวงพ่อเทศอะค่ะมันก็เห็นจริงๆแบบนั้นว่าจริงๆจะกลับมาส่งหลวงพ่อว่ามันเห็นกระทั่งว่าตัวผู้รู้ไม่ใช่เรากระทั่งตัวผู้รู้เนี่ย แอปเดียวเท่านั้นมันก็เคลื่อนออกไปเป็นตัวที่ถูกรู้<ม>แล้วมันผุดขึ้นตรงกลางเนี้ยแบบถี่ถีเป็นสายค่ะ <c oughs> ทีนี้เราก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนครั้งก่อนเพราะหลวงพ่อให้กันบ้านสองข้อคือมันฮึกเหิมเกินกับเ<ม>นี้ค่ะพอเราเห็นเป็นธรรมดาเท่านั้นเองมันก็มันเป็นกลางกับการภาวนามากขึ้น ม, มากๆอะค่ะจนจนรู้สึกว่าอยากจะมากาบส่งหลวงพ่อ <c oughs> เพราะว่ามันไปเห็นช่วงเนี้ยค่ะมันเห็น ตัวที่อยากจะดูอะค่ะเลยอยากจะมากราบถามหลวงพ่อว่ามันจะเวิร์กไหมคือตัวตัวที่มันเห็นคือมันเห็นความคิดความยึดความคิดความเห็นของตัวเองเอดีที่มันแทรกอยู่กระทั่งหยาบหรือละเอียดเนี้ยค่ะแล้วก็เราจะเอามันเป็นตัวชี้วัดว่าถ้าถ้ามันถ้ามันเหมือนกับพยายามนิดเดียวมันจะพยายามผลักเราออกจากจุดที่เรา เป็นเป็นผู้รู้ดีๆอะค่ะและ้วก็ถ้ามันล้นออกไปส่วนใหญ่จะออกไปทางคําพูดแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยเป็นจุดพัฒนาต่อก็เลยอยากมากราบถามแค่รู้นะ <ๆ S 2> เราไม่รักษาน ะ, ะตัวรู้เราก็ไม่รักษาคเราหเห็นตัวรู้เกิดดับเช่นเดียวกับสภาวะอย่าง<ม>อื่นนั่นแหละดูฝึกได้ดีมากนะไปฝึกอีกไปคทํามาได้ถูกต้องแนละ้วก้าวหน้าขึ้นเยอะเลย แต่ดูเห็นไหมในตัวรู้ยังมีตัวเราอยู่ดูออกไหมออเออถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาลนะนี่บางคนดูไปที่ตัวรู้นะแล้วไปจ้องใส่มันปุ๊บนะตัวเราไม่มีก็อบอกตอนนี้ละสักยัยทิฐิได้แล้วจริงๆอย่าไม่ละสักยัตทิฐิความเห็นว่ามีตัวมีตนเนี่ยไม่ได้เกิดตลอดเวลานะเกิดเป็นคราวๆน้ำส ก, การหลวงพ่อครับอยู่ไหน นี่ครับว่าไปศีลดีขึ้นสมาธิดีขึ้นครับ อ, อัตราลดลง<อ>ปกติผมเป็นโทสะเฉิตครับอืมผมรับมือมันได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้มันมาบุกที่ราคาเฉิตแทนนะครับจะทำย <ใน S 2> ังไงให้ราคาเฉิตเป็นจะมองอยังไงให้ราคาจฉลตเป็นตัวถุกได้บ้างครับหลงพ่อเวลาราคาเกิดเนียอย่าไปเติมเชื้อให้มันเวลาราคาเกิดเนี่ยเราจะผิดคิดในเรื่องของราคายิ่งเราคิดนะคิดตามที่มันสั่งอนะ ราคาก็จะยิ่งแรงขึ้นเราอย่าไปให้อาหารมันคือราคาเกิดล้วก็แค่รู้แค่เห็นไปอย่าไปคิดต่อว่าจินตนาการลามมกอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะมันจะยิ่งมีแรงมั้นอย่าไปกลัวมันแต่ขณะเดียวกันก็อย่าไปให้อาหารมันมันเกิดขึ้นมาก็แค่รู้แค่เห็นไปกิเลสตัวอื่นก็เหมือนกันกิเลสตัวใดเกิดขึ้นมาก็แค่รู้แค่เห็นอย่าให้อาหารมัน อย่างโทสะเนี่ยอาหารของมันก็คือการคิดในทางที่ติดลบอ่ะแล้วโทสะก็จะเกิดถ้าคิดไปในทางที่พอพอใจอะไรเงี้ยราคะไม่จะเกิดเราอย่าไปเลี้ยงมันเราจะดูมันเกิดมาเกิดได้เองเราไม่ได้เรียกให้เกิดแล้วมันเกิดเองรู้สึกไหมราคะมันก็มาเองนเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเงี้ยแล้วถ้าพอราคะมาแล้วจิตเราไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลาง ในสุดจิตเราก็เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกุศลอกุศลจิตก็เป็นกลางหมดเลยนะอย่างนั้นเราก็จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆดีนะที่ฝึกอยู่ผมต้องเพิ่มเติตรงไหนไหมครับหลวงพ่ออย่ารีบร้อนครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงุท่เทศนะท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเขาทํากันตลอดชีวิตนะงันไม่ใช่จะรีบรีบทำให้เสร็จแล้วจะได้ไปทําอย่างอื่นไม่ใช่ ค่อยๆฝึกค่อยๆเดินไปอย่างมั่นคงทีละก้าวทีละก้าวค่อยๆเดินไปสบายๆไม่รีบร้อนถึงที่หมายเร็วถ้าลูกเรียลุกรลนเนี่ยมันจะขยันอยู่ได้ช่วงเดียวเดี๋ยวมันก็ท้อแท้ใจเดี๋ยวก็ทำทำหยุดหยุดไปเรื่อยไม่ดีที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะดีผมขอถวายการปฏิบัติให้เป็นพุทธบูชาพระชาสังคบูชานะครับ เราขอถวายให้หลวงพ่อด้วยครับขออนุโมทนาคบุญกับหลวงพ่อด้วยนะครับอืมเอออนุโมทนาสาธุอีกขออนุออนุโมทนาบุญหลวงพ่อด้วยะสาธุสาธุอย่างนี้เรียกฉลาดเนาะคนสุดท้ายเห็นไอ้พวกนั้นยังพวกมานะอัตตาพวกอะไรเงี้ย เห็นแล้วครับหลวงพ่อครับเออถ้าเห็นแล้วเจริญแล้วล่ะหลวงพ่อครับผมขอโอกาสถามนะครับแล้วก็ขอเมตตาหลวงพ่อเยอะเห็นขันห้าทั้งทั้งทั้งห้าตัวเนี่ยเขาแสดงใจรักให้เห็นนานมากครัวนี้ผลลัพธ์ของเขาเนี่ยผมเห็นว่าไซซิ่งคือขนาดของทุกข์และสุขเนี่ยมันเล็กลงเยอะมากรวมถึงระยะเวลาที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยก็สั้นลงนะครับ ปัจจุบันสั้นนิดเดียวะใช่ครับแล้วก็ <c oughs> ก็เลยก็เลยเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสุขกับทุกเนี่ยมันใกล้เคียงกับมันน้อยมากจนผมไม่อยากใช้คาว่าสมมติไม่ทราบว่าผมคิดถูกไหคราวนี้คาถามผมก็คื อ, อในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผมช่วงช่วงก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คื อ, อการสำรวมทางกายวจาใจก็ดีนะครับ รวมถึงการมีเมตตาก็ดีรวมถึงการอดกั้นต่างๆก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเใช่ผมผมกำลังถามเพราะว่าผมไปบังคับเขาให้เกิดหรือเขาเกิดขึ้ น, นมันบั ง, <อ> ง, งคับไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ชั่วนะความดีมันก็มีผมเห็นเขาเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอก็เลยก็เลยต้องมาถามเพราะว่ามั น, ม, น, ม, นมันใช่ใช่ไหมอย่างหลวงพ่อนะพื้นเดิมเนี่ยเป็นโทสะเป็นโทสะจริตนะภาวนา ม, มาเรื่อยๆนะ มันเปลี่ยนเป็นเมตตากรุณาไปเฉยเลยโดยที่เราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาไม่ได้เจตนาเมตตาตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเมตตาการุณาเฉยเลยฮะแบบแล้วไปแสดงออกตรงผลลัพธ์ก็คือทําให้เราเห็นว่ามันมันบังคับเข้าไม่ได้เาเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นเราก็แค่รับรู้นะฮะตอนเนี้ยตัวที่เจ้ารู้ทันมันนะคือตัวมานะตาครับครับเพอชั่วเราละได้ดีเราเจริญนะ บันทีมานาตามันแทรกเข้ามาครับนะคอยรู้ทันคุณเจริญขึ้นเยอะเลยนะดีอนุโมทนากลับมรพบคุณหลวงพ่อครับผมครับเอาเชิญกลับบ้าน